ม, มีใครเป็นเนต่อบ้งางเมื่อคืนฮะเอาจนสว่างมีไหมเนยาวเลยแหละฮ่ะได้ไปพักเท่าไหร่3มชั่วโมงวะสองชั่วโมงสามชั่วโมงเหรอยังคืนเกือบตีหนึ่งแล้ว <c oughs> ไม่มีคนได้รงางวัลมากเลยฮะมีไหมเฮ้ไม่มีคนได้รงางวัลมากเลยฮะเอาเอาอันนั้นเป็นรงางวัลแทนเอาเนยาวเป็นรงางวัลแทน ไม่ใช่เนนั่งเนยืนเนเดินเนยยาวได้รางวัลแทนนั่นนั่นนั่นวัดแถวนี้นนเขาชอบเปิดเสียงดังกันกระบอกเสียงไได้ยินถึงชาวบ้าน อืมใช่ไหมฟังรู้เรื่องอืม เมื่อคืนเนี่ยพาสวดพานั่งอยู่จนเที่ยงคืนกลับไปบ้านก็จะได้กลับไปที่นอนก็จะได้พักผ่อนกับตีหนึ่งเราได้ความอดได้ความทนหมกตรองตามหลังแล้วเป็นไงคุ้มไหมคุ้มความอดความทนะ่ะคุ้มทั้งนั้นะ ทนได้ไรทนเปล่าเหรอทนเหน็ดทนเหนื่อยเปล่าเหรอทนเหน็ดทนเหนื่อยเปล่าเหรอมันไม่เปล่าดอกมันมีกิริยาประกอบที่ใจของเราใจของเราดำริถึงสิ่งที่ดีงามภาวนาบ้างได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมบ้างสวดมนต์บ้างรำพึงรำพันถึงคุณพระเจ้าพระธรรมพระสง์บ้าง ไม่เสียเปล่านะเพราะเรามีเรามีเจตนาที่จะทำมีเจตนาที่จะเอาสิ่งที่เราจะสิ่งที่เรากำลังทำสิ่งที่เราจะเอามีอยู่ <c oughs> เราตั้งใจทำลงไป <c oughs> หากการฝึกการฝืนมันเป็นเหตุให้เราต้องกดต้องทน เราต้องอดต้องทนเพราะเราต้องต้องฝึกต้องฝืนคนเรานั่นต้องอยู่ด้วยฝึกอยู่ด้วยฝืนอยู่ด้วยการฝึกอยู่ด้วยการฝืนเพราะมันมีฝ่ายต่ําเนี่ยมันพัดจิตเราเราลงไปที่ต่ํามันลากจิตเราลงไปที่ต่ําถ้าเราปล่อยชีวิตเราไปตามบุญตามกรรมเหมือนกับปลาตายปลาตายลอยไปตามน้ําน้ําไหลในกระแสน้ําที่ไหล ปลาตายลอยตามกระแสน้ําทุกป่องทุกป่องทุกป่องแต่ถ้าเป็นปลาเป็นน่ยมันลอยทวนกระแสน้ําถึงจะปล่อยตัวมันไปตามน้ํามันก็เอาหัวมันทวนกระแสน้ําไว้เสมอหมายความว่าอาจินกรรมความเป็นอยู่ของเราเราจะต้องตั้งท่าต่อสู้เสมอถ้าเราไม่ตั้งตั้งท่าต่อสู้เนี่ยไฟต่ํามันกด็ดึงเราลงไป ไฟตามก็คือกิเลสนั่นแหละกิเลสนี้เราต้องต่อสู้อยู่ทุกระยะทุกเวลาเพราะถ้าเราปล่อยตามบุญตามกรรมแล้วตัวนั้นแหละมันมาทํางานแทนตัวกิเลสอาชินกรรมของเราก็คือตัวกิเลสนะมันมาทํางานแทนกลายเป็นกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากผลหลายได้เป็นของมันทั้งหมดอมการฝ่าฝืนของเรานะฝืนอดฝืนทนฝืนรำลึก ฝืนตัดฝืนสังวรฝืนระวังเนี่ยเมื่อกะปลาเมื่อกะปราเป็นที่มันเอาหัวทวนกระแสน้ำถึงจะปล่อยตัวให้มัน ล, ลงไปตามนาม้ำมันก็ไม่ปล่อยตัวไปตัวของมันไปให้ไปติดกองสะวะเหมือนปลาตายปลาตายลอยตุ๊ป่องตุ๊ป่องไปไปติดกองสะวะในกองสะวะนั้นน่ะมีแต่ของเหม็นของเนา่า ไหลลงไปกองกันอันนั้นคือพลังของปล่อยชีวิตไปตามบุญตามกรรมเป็นอย่างนั้นชีวิตที่เป็นไปตามบุญตามกรรมล้วก็ปล่อยได้เป็นช่วงหนึ่งเป็นระยะหนึ่งหลังจากที่เราไปสร้างคุณงามความดีมีวิบากเป็นที่แข็งแข็งขันแข็งแรงแล้วก็ถือว่าเราปล่อยอยู่ตามสุขสบายได้แต่ตราบใดที่เรายังรู้ว่าชีวิตเราต้องฝ่าต้องฝืน ต้องต่อสู้กับกองทุกข์กับความทุกข์ทนลำบากทรมานหลายอย่างหลายเรื่องเปล่อยไม่ได้ตอนไหนช่วงไหนที่เราต่อสู้มันจนพอแรงแล้วล้อยชีวิตเราอยู่ตามสดวกสบายนี่เราก็พอจะปล่อยอยู่ได้เช่นอย่างเรามีความฝึกความฝืนพอสมควรชีวิตจิตใจของเรา เ, เชื่องชินกับศีลเชื่องชินกับธรรม เราก็ปล่อยอยู่สุขสบายไปตามอัตภาพของเราถึงกรขนั้นก็ตามก็ยังไม่พ้นที่จะมีจิตกระตือรือร้อนรีบเร่งบําเพ็ญเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้กับชีวิตของเราไปเป็นวันวันไม่งั้นเราก็ไม่ทันไม่ไม่ทันไอ้ที่ไม่ทันเนี่ยมันมันลุดมันลุดไปมันร่วงไปมันเสื่อมไปมันสิ้นไปมันไม่ทันคืออัตภาพร่างกายของเราเนี่ยมันเสื่อมไปมันสุดไปชีวิต ของคนเราถึงวัยเสื่อมมันก็นไหลไปไหลไปเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปตอนอยู่ที่วัยเจริญก็ไปอย่างหนึ่งพอมาเป็นวัยเสื่อมหนึ่งก็เสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปแก่ไปเท่าไปเห็นไหมหัหนวกไปตาบอดไปโรคนั้นก็มารบเราเข้าโรคนี้ก็มารบเราเข้าอันนั้นก็ชักหนักเสแล้วเคยทําทําไม่ได้เคยเดินสะดวกสบายเดินไม่สะดวก ตาเคยดีหูเคยดีมองไม่เห็นเสียงไม่ได้ยินเนี่ยมันรุมเข้ามามันรุมเข้ามาถึงไปเสื่อมจริงจริงมันเป็นอย่างงั้นอันนั้นก็หนักอันนี้ก็หน่วงจะในขณะเดียวกันอันนั้นก็ห่วงอันนี้ก็ห่วงมันห่วงร่างกายมันแก่มันเท่าแต่จิตใจมันไม่แก่ไม่เท่าจิตใจมันไม่ได้ ใช้ระบบชีวิตเหมือนร่างกายมันไม่แก่ไม่เท่าแต่ระบบชีวิตของมันก็ระบบชีวิตที่ขึ้นอยู่กับดีกับชั่วกับบุญกับบาปเราจะว่ากายเราจะว่าจิตใจเราแก่ก็ได้มีบุญมากๆเขาเรียกแก่บุญมีบาปมากๆเขาเรียกแก่บาปใจมันก็นมเอียงไปเพื่อความแก่แบบนั้นแต่มันไม่ได้มี มันไม่ได้มีอายุจํากัดเหมือนกายกายมีอายุจํากัด น, น่ห้าสิบปีสาสิบปีสี่สิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีเริ่มเสื่อมเลยวัยเริ่มเสื่อมเลยเริ่มทรงทรงไว้แล้วหกสิปีเป็นต้นไปเริ่มเสื่อมลองเสื่อมลองเสื่อมลองเสื่อมลองมีแต่พยุงเอาไว้ร่างกายมีแต่ประคับประคองเอาเอาไว้ตา ประคับประคองเอาไว้หูประคับประคองเอาไว้พอให้มันถึงที่จอดด้วยด้วยด้วยกันพร้อมๆกันาตายถึงคราวตายมีอะไรก็ไปด้วยกันหมดเจ็บใครได้ป่วยอะไรก็ไปด้วยกันหมดถึงตอนนั้นแล้วก็หมดโอกาสแล้วอัตตะอัตภาพนี้ก็ไม่จบแค่นี้ก่อนร่างกายดับสลาย แต่จิตใจไม่ดับสลายถ้าหนักบุญใจก็ไปสู่ที่ดีที่ชอบถ้าหนักบาปใจก็แก่ไปตามบาปหนักบุญใจก็แก่ไปตามบุญตามบุญก็ไปสู่ที่ดีไปสู่ที่สุขไปสู่ที่เจริญไปสุขกโตสุขติถ้าบาปมากๆแก่บาปนี่ก็ทุกข์แหละ เปิดฉากไปปรโลกอะมืดตึ๊บเลยแหะโอ้ไปไหน น, อน้อในเราเนี่ยมีแต่กองฟืนกองไฟคอยรบเรา้ราเผาจิตใจของตัวเองอยู่เนื่องจากเนื่องจากแก่บาปแก่บาปผลตามมากระทุกมากนะมันนี่เหมือนแก่บุญแก่บุญผลตามมาก็คือมีความสุขมากมากกว่ามากกว่ามีความทุก เพราะเราสร้างแต่คุณงามความดีถึงแม้ว่าอัตภาพร่างกายจะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายก็ตายไปตามภาวะของมันเพราะมันมีอายุมันมีอายุไข่คนชาติชั้นวรรณะไหนเหมือนกันหมดผู้ดีมากยากจนคนเข็นใจอนาถาไพร่ฟ้าไปเหมือนกันหมดเป็นเหมือนกันหมดไม่มีอะไรเป็นข้อแตกต่างกัน ดังชื่อเสียงเกียรติยศ อ, อะไรเราอื่นนะั้เป็นของสมมุติขึ้นแต่อันนี้มันเป็นหลักธรรมชาติที่เราเกิดขึ้นเป็นต้นชีวิตที่เราได้ขึ้นมามันมีอยู่อย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้มันหากแก่ไปตามเรื่องตามราวของมันตามเหตุตามปัจจัยของมันดูแลพระคับประคองไปจนถึงวันตายที่สําคัญที่สุดก็คือ เราจะอยู่ในไวัยไหนก็ตามใจของเรายังทํางานได้เสมอเราก็ไม่ทิ้งเรื่องงานเรื่องการการข้างในองานการข้างนอกทําเป็นทําเป็นชั่วคราวปิดทําเป็นชั่วที่มีชีวิตมีกําลังวังชาอยู่เราก็ทําไปหูไม่ดีตามไม่ดีอจิตใจชักเลอ ะ, เ ล, ะ, เ, ละเลือนเดือนทําไม่ได้แล้วทําไม่ได้แล้ว เพราะคนเราจึงมีจึงมีช่วงสังสมเก็บสังสมมีลูกมีเต้ามีทรัพย์แก่เท่าไปก็อาศัยลูกอาศัยทรัพย์เหล่านี้ดูแลอา้าวแล้วคนไม่มีลูกคนไม่มีทรัพย์ทําไงอา้าวเราก็ให้ธรรมะดูแลธรรมะในใจของเรามันมีอยู่เราให้ธรรมะดูแลเอาพุโทโธนี่แหละดูแล พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธอยู่สุขก็พุโทโธทุกข์ก็พุโทโธเป็นก็พุโทโธตายใกล้ตายตายไปก็พุโทโธนี่เอาธรรมะดูแลแท้ที่จริงเอาธรรมะดูแลนั่นแหละได้เปรียบเพราะธรรมะนั้นมันเป็นเนื้อนหนังของเราเป็นผลิตผลที่เกิดขึ้นในใจของเราไม่เหมือนสิ่งของอย่างอื่นที่เราจะต้อง อพึ่งพาจากเขาถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเขาทำให้บ้างไม่ทำให้บ้างไม่แน่นอนแต่เราเอาธรรมะมาประคับประคองจิตของเราถึงแม้ว่าเราจะทิ้งกายหมดเราอยู่เฉพาะจิตทิ้งกายหมดเราอยู่เฉพาะจิตเราก็ไม่ประมาทถือว่าอยู่เฉพาะปลุกตัวเองตื่นตัวเองรู้ตัวเอง จิตที่ไปจิตที่ไปด้วยความมีสติต้องไปดีจิตที่ไม่มีสติที่เขาเรียกว่าตายเพราะไม่มีสตินั้นไปไม่ดีไปไม่ดีคุณงามความดีที่เราเคยสังสมมาเราก็ระลึกได้นึกได้งานเฉพาะหน้าเราก็ทําได้อืแต่ถ้าสติไม่ดี ธรรมะในใจไม่ดีมันก็ถูกอธรรมมครอบถูกกิเลสมาครอบนึกถึงแต่อกุศลที่เคยทำโอ้เคยบิดอย่างนั้นนะโอเคยเบี้ยวอย่างงั้นเนาะเคยทําทุกข์ทรมานกับคนนั้นเนาะกับอย่างนี้เนาะเคยแกล้งเขาอย่างนั้นแกล้งเขาอย่างนี้นึกถึงแต่ฝ่ยอกุศลจิตใจของเราก็ไปต่ําแม่ นี่คือความไม่มีทำครองไม่มีทำดูแลถ้าเป็นทำดูแลนึกถึงแต่คุณงามความดีก็ไปสู่ที่สุขไปสู่ไปสู่สุกติได้ไปสุกติไปดีที่อยู่ดีที่กินดีมีเพื่อนฝูงดีมีอะไรดีๆน่าเพลิดเพลินรื่นเริงยิ่งเราไปสู่ปรตโลกเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นด้วยแล้วเราก็เพลินไป เป็นพบเป็นชาติไปนี่คือการเดินทางเดินทางในวัตตะสงสารเราเดินอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจนี่แหละฝึกฝืนทําไม่ฝึกไม่ฝืนเนี่ยมันตกไปฝ่ายต่ําฝ่ายต่ํามันดึงไปมันชักไปมันลากไปไยต่าก็คือกิเลสพูดทั้งวีทั้งวนันกทิ้งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะตัวนี้มันเป็นตัวโทษ วิธีการก็ทําเข้าไปทานก็สละเข้าไปศินมีโอกาสก็ตั้งใจรักษาไปมีโอกาสหรือไม่มีโอกาสเราอยู่ที่ไหนเราก็มีโอกาสหมดแนหะตั้งเตจตจานงเข้าไปที่ใจของเรานะั่นนึกขึ้นมานึกถึงหลักภายในชีวิตจิตใจของเรานึกขึ้นมาปาั๊บอ้อนึกถึงเรื่องทานอ้อนึกถึงเรื่องศินเนีไม่เสียหายเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้แล้วมันไม่เสียหายนึกถึงสินก็วิรัต งดเว้นขึ้นมาทันทีไม่ต้องไม่ยังพันเตวิสุงวิสุงขอศินกับพระไม่ต้องตั้งใจวิระวิระงดเว้นทันทีคิดถึงผลที่เยือกเย็ยนอานิสง์ที่มีความสุขความชุ่มเย็ยนเรื่องของศินพอเราพอเราตั้งใจวิระงดเว้นสมาทานปั๊บจิตของเราก็มีความสุขแล้วเหมือนกับมันมีเกราะมันมีที่พึ่งมันมีที่พึ่งมันมีที่บงัง ไม่ลืมฐานไม่ลืมศีลแล้วก็ทีละเอียดเข้าไปอีกที่จิตของเราไม่ลืมทำไม่ลืมสมาธิทำไม่ลืมปัญญาทำเรื่องสมาธิทำมันเป็นเรื่องที่ต้องฝ่าต้องฝืนฝืนอะไรฝืนอวิชชาที่มืดที่บอดในหัวใจของเราสมาธิทำปัญญาทำถ้าทิ้งสมาธิทิ้งปัญญาแล้วก็ อวิชชามันก็คลุมก็ครอบโมหะครอบปุ๊บเข้ามาแล้วอะดำปื๊ดหมดแ่ะมองอะไรไม่เห็นมืดตึ๊บหมดแหละคําว่ามืดตึ๊บก็คือมองไม่เห็นบาปเห็นบุญอืไม่รู้บาปไม่รู้บุญไม่ระลึกบาปไม่ระลึกบุญลืมบาปลืมบุญลืมหน้าลืมตัวคิดนึกอะไรได้ตามใจชอบเปิดประตูโลกให้กับกิเลสตัณหาในหัวใจของเรา เสียท่าเสียทีแหละตอนนั้นเพราะฉะนั้นเราอยู่กับอันนี้ตลอดอยู่กับทานกับศีลอยู่กับภาวนาตลอดอยู่กับสติอยู่กับปัญญาตลอดอยู่กับภาวนาก็คืออยู่กับสติอยู่กับปัญญาเอาสติเอาปัญญามารักษาจิตของเราเองเราก็สามารถรักษาไปได้รอดเพราะนี่เป็นหนทางสุดท้ายแล้วที่เราทําแล้วมีผลรายได้ มากน้อยเท่าไรติดเนื้อติดตัวไปตายไปแล้วไปเกิดเอาใหม่แต่คุณสมบัติเหล่านี้ติดไปกับจิตเป็นบุญที่ติดไปกับจิตบุญนี่แหละมันจะเลือกสรรพบภูมิให้กับเราพบภูพบภูมิตาม่าๆไม่คู่ไม่คู่ควรกับสมบัติที่เราติดเนื้อติดตัวมันก็ไปเลือกพบภูมิที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของเราเหมือนกับเรามีความรู้ ไปเข้างานตามคุณสมบัติของความรู้ของเรามีความรู้ระดับนั้นทางานร ะ, ระดับขั้นนั้นมีความรู้ขั้นนั้นทางานระดับขั้นนั้นความรู้ขั้นนั้นทำงานระดับความขั้นนั้นขั้นนั้นระดับความสำคัญของงานคุณสมบัติที่เราจะพึงได้ในใจของเราก็เช่นเดียวกันเรามีคุณสมบัติมากเราก็จะปล่อยได้รับผลตามคุณสมบัติที่เรามีเพราะเป็นเรื่องวิบากกรรม สามารถเป็นเลือกได้เหมือนกับเรามีทรัพย์ เ, ยเราสามารถเลือกสิ่งเลือกของเลือกอะไรแต่ไรที่ดีๆได้ราคาแพงๆได้แต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วมันไม่มีทุนรอนน้อยเลือกได้ได้แต่ของแค่พอใช้หรือไม่ก็ได้แค่ของไม่ดีอเป็นข้อเปรียบเทียบเป็นข้อเทียบเคียงกันจึงเป็นเรื่องเป็นจึงเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนากับพวกเราอุปสารค เสียสละเวลาเสียสละงานการเสียสละความสุขความสะดวกสบายส่วนตัวเสียสละเวลามเวลาคอยปัทมบัติถากดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวแล้วลก็ตั้งใจมาฝึกหัดเพื่อให้เป็นประโยชน์กับตนเองโดยเฉพาะถ้าตนเองตั้ง ต, งตนได้คนที่เกี่ยวข้องกับเราก็ปล่อยได้รับความสุขความชุ่มเย็นได้รับความเจริญไป ตามๆกันเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันเป็นวาระสุดท้ายแล้วจากนี้แล้วไปพวกเราก็จะลงไปเดินแล้วนี่หกโมงหกโมงแล้วพวกเราลงไปเดินไปจนถึงเจ็ดโมงใส่บาตแล้วก็ฉันวันนี้มีพระมาฉันร่วมเพิ่มอีกนะเพิ่มอีกสองสาองแล้วก็หลังจากฉันเสร็จเราก็ขึ้นมาอีกทีหนึ่ง ทำพิธีอะไรต่างๆลาตอนนี้เลยเหรอ อ, อ้าวอ๋ออืมเราขี่รถบัมบลาตอนเช้สามโมงเสร็จแล้วก็มีพระปาต่อใช่ไหมพระปาช่วงไหน สิบโมงกว่าภาพป่าจะเสร็จก็ใกล้เที่ยงแล้วออกไปหลังเที่ยงเหรอืผู้ปฏิบัติไปก่อนตอนนี้ก็เบิกถอยหลังเต็มที่เลยทีนี่อ่าที่นูนก็มีอาหารเลี้ยงด้วยมีโรงมีโรงอาหารด้วยเลี้ยงเต็มที่ อดหลับอดนอนต้องอดต้องทนสักหน่อยเดี๋ยวมันก็ปกติแล้วอดหลับอดนอนเรื่นองนธรรมดาบางคนทำมหากินจนไม่ได้หลับได้นอนก็มีอยากรวยอยากรวยมากๆบางคนไปทำมหากินในทางที่ชดจิตไปอดหลับอดนอนไปงัดไปแ ง, ไ ป, งไปขโมยไปอะไรแต่อะไรเขาก็ยังอดทุกข์ขาปฏิปทา มีมีความทุกข์ในขณะที่ไปประกอบมีความทุกข์แล้วก็มีความทุกข์เป็นวิบากต่อไปอีกอประกอบความทุกข์ในขณะที่ไปประกอบก็ทุกข์แล้วก็ผลของมันมีทุกข์เป็นวิบากอีกนี่เนี่ยพวกนี้แหละพวกไปสร้างความทุกข์ความโทษให้กับคนอื่น เราสร้างความสุขสะดวกสบายให้กับเราเองเสียเวลาไปก็เสียเวลาไปกับความสุขเสียเวลาไปเพื่อความสุขจะมีความทุกในการประกอบแต่เราก็มีความสุขเป็นวิบากมีความสุขเป็นรางวัลเพราะเราได้สร้างคุณงามความดีเหล่านี้เอาไว้เพราะฉะนั้นเช้านี้เราอเอาเริ่มพิธีอะไรก็เริ่มได้เล ย, เลย อ้างคมามิตุมเห้หิปิเมคมิตับบังมามานในระหว่างที่เราฝึกอบรมอยู่นี้หากมีเรื่องขัดข้องหมองใจต่อกันและกันเขาให้พวกเราเอาโหสิกรรมให้แก่กันและกันเพื่อไม่ให้มีเวรมีภัยต่อกันรวมทั้งผู้มาฝึกฝนอบรมและรวมทั้งผู้มาให้การอบรมด้วยหากมีความผิดพลาดพลั้งด้วย กิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเหมาะสมไม่เหมาะสมก็ให้พวกเรานึกอโหสิกกรรมให้เลือกเอาแต่คุณงามความดีความรู้ความเข้าใจที่เราถือเอาประพฤติเอาปฏิบัติเอาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของเราแล้วก็ให้พวกเรามีความอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากัน นี่ทำงรับสิน อีมานี้ เราลาศินแปดเราก็ต้องมาอยู่ศินห้าเพราะศินห้าเป็นศินของอุบาสกอุบาสิกาปลอยศินห้าหลุดมา้าหลุดมือไปมดเท่านั้นแหละไม่มีอะไรเป็นเครื่องประดับไม่มีอะไรเป็นเครื่องบระดับประดับกายประดับวาชาประดับใจต้องมีศินห้ารองเอาไว้อตั้งใจวิรัติตั้งใจงดตั้งใจเว้นให้ได้ตามนั้น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 พะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมบุตตสัพนะโมตัสสะพะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมบุสนะโมตัสสะะกวะโตอรหะโตสัมมาสัมบุตตสนะโมตัสสะะวะโตอรหะโตสัมมาสัมุสพุทางสระังัดชามิ ธรรมังสระนังขจามิสังขังสระนังขจามิดุติยัมปิบุทถังสระนังขจามิดุติยัมปีธรรมังสระนังขจามิดุติยัมปิสังขังสระนังขจามิ ตัติยัมปิบุตังสรนังขจามิตัติยัมปิธรรมังสรนังขจามิตัติยัมปิสังขังสรนังขจามิสรน็อกมันังนิทวิตังปะนาติปะ เวรมณีสิกขาปัดังสะมาดิยาวิมินาดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัดังสะมาดิยามิ กามสุมิชฌาจาราเวรมนีสิกขาปังสัมมาดิยาวิมิมุสาวาดาเวรมนีสิกขาปังสัมาดิยามิ สุราเมรยมจัปมาตถานาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาดิยามีมานิปัญจสิกขาปดานินิจจีลวเเสนา สิเลนะสุกติงยันติสีเลนะภะคะสัมปดาสีเลนะนิพพุติันติตัตสมาชีลังวิโสทะเย พรที่นี้ให้พรตั้งใจรับพรยะท้าวาริวหาปูราปริปูเรนติชาขรังเอวะเมวิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิจจะตุสเพปูเรนตุสังกปา ฉันโธปนารโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิตโยวิวัตชันโตสปโรโควินัสโตมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีคายโกภวะอภิวาธนศิลิสนิจารุธาปิจายโนจัตาโรธรมมาวัฏันติอายุวโนสุขังพระลังภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะ สธาโสธีภวันโตเตภวตุส so ัพพมังลังรักข да ันตุส so ัพเทวตาสัพธมานุภาเวนะสธาโสธีภวันโตเตภวตุสัพพมังลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังคาณุภาเวนะสธาโสธีภวันโตเต